รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องหนึ่งเวิร์กพอบริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและ SCB SME ภูมิใจเสนอเมื่อประวัติศาสตร์เริ่มเก่าแก่ลงมันจะถูกเรียกว่าตำนานตำนานของเราเป็นเรื่องราวของอินเดียในยุคโบราณ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมวลมนุษย์ในทุกยุคสมัยผู้มีบุญจึงได้มากําเนิดในยุคที่สองพระรามได้สั่งสอนเรื่องการประพฤติปฏิบัติดีสร้างมาตรฐานให้แก่สังคมในยุคที่สามพระกริณนอธิบายความสคาคัญของกรรมผ่านพระขวัตขีตาและเผยแพร่คุณธรรมแต่ทว่วเมื่อเวลาผ่านไป ความไร้คุณธรรมกลับแพร่ขยายภายใต้ข้ออ้างของคำว่าคุณธรรมการโกโหกหรืสยาความไม่เท่าเทียมความโลภความงมงายแพร่กระจายออกไปทั่วมนุษย์ต่างหวาดกลัวและหลงอยู่ในความมืดของความละเลยเพื่อกำจัดความมืดนั้นผู้มีบุญจึงถูกส่งมากำเนิดอีกครั้งและครั้งนี้ผู้มีบุญมีนามว่าพระพุทธเจ้า หลายยุคหลายสมัยผ่านไปตั้งแต่สงครามมหาภารตะมหาสงครามที่แบ่งแยกประเทศอินเดียออกไปเป็นหลายส่วน 2,500 ปีต่อมาทางตอนเหนือของอินเดียใกล้กับแคว้นมคตและเมืองเวสาลีคือเมืองกบิลพัทในตอนนั้นผู้กระาหาญและเกลียนไครซึ่งเป็นทายาทของราชวงศ์สักยะนามว่า พระเจ้าสุโธทนะเป็นเจา้าเมืองกบิลพัน์ สีรองมเม่สีรองและกำลังจะรีขาเจ้าอยู่พอดีเลยแล้วสิกะใครสั่นระครังทำไมข้าดีพี่คะไม่เหสีรองฝาบาทสุทธทนะโซปราบปันทวาาได้ในการศึกกำลังเดินทางกลับด้วยพี่คะพระเจ้าตอบรับคำพาวนาของข้าแล้วเจ้านำข่าวไปบอกมเหสีเอกมหามายาหรือยังยังเลยพี่คะตอนนี้นางไม่ได้อยู่ในห้องพีคะเ ง, ง้นเลย เตรียมแจกจ่ายอาหารแก่คนยากจนก็จะนำข่าวดีนี้ไปบอกกับท่านพี่เองจับได้แล้วจับได้แล้วจับได้แล้ว เทวทัตเด็กๆคนอื่นไปไหนเด็กคนอื่นเด็กที่ไหนอะข้าอยู่คนเดียวที่นี่ข้าข้าเป็นอะไรไปเนี่ยข้าไปได้หรือยังฮะไปไหนกลับไปหาท่านแม่ข้าไปสิ เตอเจ้ารับปากกับเข้าไว้ใช่ข้ายลืมมันไปหมดแล้วพูดมาสิพูดมาก่อนข้าถึงจะปล่อยเจ้าไปพูดสิพูดมาท่านจะต้องหลับตาก่อนสิ หรืกครั้งด้วยไงมันเป็นะระฆังบอกข่าวฝ่าบาทกำลังเดินทางกลับพร้อมชัยชนะทั้งเมืองกบิลพัทกำลังเฉลิมฉลองอยู่ประชาบาดีเป็นข่าวดีจริงๆเ จ, จ้าเจ้าเตรียมการต้อนรับพระองค์เถอะจะมอบความสุขและความสบายเพื่อให้พระองค์ลืมความเหน็ดเหนื่อยจากสนามรบไปให้หมดสิน้นแล้วท่านละ่ะ ไม่มีใครอยากแบ่งความสุขกับผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์หรอกท่านพี่ถ้าฝาบาทเห็นหน้าค่ะเขาก็จะต้องเศร้าส้อยอีกเพราะว่าไม่ได้ลูกชายท่านพี่ท่านเมตตาให้ข้าได้แต่งงานกับเขาเพื่อให้เขาได้เป็นพ่อคนเละเมืองกระ บ, บิลพัฒจะได้มีราชทายาทแต่นี่ก็สี่ปีแล้วข้าเองก็ไม่มีลูกเหมือนกัน เขาจะปล่อยให้ความหวังเดียวของข้าท้อแท้ไม่ได้เ้าก็ทนเห็นท่านท้อแท้ไม่ได้เช่นเดียวกันตอนนี้คือความรับผิดชอบของเราที่ต้องทนรับฝ่าบาทพร้อมกัน โธนะน้องข้าหม่อมฉันสบายดีฝ่าบาททุกอย่างในเมืองก็สงบเรียบร้อยดีมีเจ้าอยู่ด้วยข้าก็วางใจเจ้าเป็นคนเดียวที่ข้าไว้ใจให้ช่วยดูแลเมืองก บ, บิลพัทตอนที่ข้าออกศึกโดยไม่กังวลมาเถอดฝ่าบาทหยุดกันข้าไม่ให้พระองค์เข้าหรอกทำไมถึงไม่ให้ข้าเข้าไปละ่ะ พราองค์เอาของขวัญมาก่อนแล้วข้าถึงจะยอมให้เข้าไปข้าเป็นราชาเรียกเก็บภาษีจากทุกคนแต่ข้าต้องจ่ายภาษีแก่เทวทัต น, <c oughs> นี่ไงของขวัญเจ้าท่านต้องสู้กับข้าก่อนถึงจะเข้าไปได้อืมเจ้าจะใช้ดาบของข้าจู่โจมข้าเหะอเอ อ, อ โอ้วัฒวิเศษมากขลับไปนะ มไม่หรอกมายาความเจ็บมันเทียบไม่ได้กับโชคชะตาที่ฟ้ากำหนดให้ข้ามีพร้อมทุกสิ่งแต่ว่าความจริงแล้วข้าไม่มีสักอย่าง ขนาดว่าแต่งงานสองคนข้าก็ยังไม่มีลูกข้าคือเหตุถึงความเศร้าของเจ้าแค่มีช้าไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีนะกูรูว่าชัสบดีได้ส่งข่าวมาีกไม่นานจะปรากฏกลุ่มดาวเมื่อดวงอาทิตย้ายเข้าสู่เรือนสูงพระจันทร์จะเข้าสู่ราศีกรกฎ ดาวสุขเข้าสู่ราศีมีนมันจะเกิดปูนาวสุกการรวมตัวของดวงเดานี่คือกลุ่มดาวเดียวกันกันกบตอนที่พระรามกําเนิดต้องจัดพิธีแสดงความเคารพในวันนี้การภาวนาของเราจะต้องได้รับคำตอบข้าขค่อยากเห็นลูกชายในอ้อมแขนของเจ้ามายาข้าสงสัยว่าตัวเอง จะได้เป็นแม่คนไหมแต่ข้ารับรองว่าประชาบดีจะต้องมีลูกชายให้ท่านในเร็ววันขอจริงทง ว่ทัดอยู่ไหนมัคลาอยู่กับฟ่าบาทเขาไม่ชอบใจเลยทุกครั้งที่ข้าอยากเจอลูกเขาต้องอยู่กับมาเหสีหรือ ว, ว่าฟ่าบาทุกครั้งเมื่อคืนก่อนเ้าส่งเขาไปเอง<ะ>ไม่ช้าก็เร็วเทวทัตจะต้องแทนที่พระราชาเป็นมกุฎราชกุมารจากนั้น เป็นเจ้ามือกบิลพัททุกครั้งที่ก็เห็นเทวทัตนั่งบนบันลังครอปฝาบาทในใจของข้าเกิดความฝันข้าได้ยินเสียงมกุฎราชกุมารเทวทัตจงเจริญมกุฎราชกุมารเทวทัตจงเจริญยุทธาวิมานในอากาศเถิดมงคล เจ้าก็รู้วันใดกดตามที่มหามายาหรือรบัณฑิตให้กำเนิดบุตรความปรารถนาของเจ้าเน่จะต้องล่มสลาย ด่าของข้าพวกนางไม่มีทางมีลูกชายแน่อูรัวฉันบดีกําลังเดินทางมาเพื่อทําให้มันเป็นไปได้เพื่อทําพิธีขอลูกชายให้พวกเขาทําพิธีขอลูกชายเหรอเจ้าคิดสิถ้าทําพิธีแล้วขอลูกชายได้จริงๆแล้วก็ป่านนี้คงมีคนลุล่วงแล้วแน่ๆเลย เพคะเอานกพวกนี้ไปใส่กลมเทวทัตจะได้เอาไว้เป็นเป้าซ้อมาว ฟาบาทหลัาสวดภาวนาเทพเจ้ากับเจ้า ม, มาเราจะสวดภาวนาให้พระอาทิตย์เทพประจำตระกูลเพื่อปกป้องตระกูลของเขาพระอาทิตย์จะส่งแสงลงมาและช่วยให้บัวดอกนี้บาน พระกัลยาณมสุยมพระวาก ด้วยยินดีด้วย ด, ดอกวัวเบ่งบานแล้ว่าโชคชะตากำลังส่งยิ้มให้ท่านข้าขอประสาทพรให้พระองค์ได้ลูกชายปบาปาจงเจริญ นั่นคือความฝันที่พระนางมหามายาเห็นหลังจากทาพิธีขอบุรท่านกูรูวาชัดกวดีและพรหมามท่านอื่นพวกท่านโปรดช่วยตีความฝันนี้ให้ข้าทีพระบาทนี่เป็นฝันมงคล ด บ, บัวสีแดงบานหมายถึงการสร้างสรร์ช่างอารวัตต่อจากท้องฟ้าตีความได้อย่างเดียวผู้มีบุญกําลังจะมรเกิดยินดีด้วยพระมเหสีตั้งครันแล้วยินดีด้วยเพียงข้ายินดีด้วยเพียงข้ายินดีด้วยทพียพี่ ยินดีด้วยยินดีด้วยพระมะเหสียินดีด้วยฟ้าบาทยินดีด้วยฟ้าบาทยินดีด้วยยินดีด้วยฟ้าบาทยินดีด้วยท่านหมอหลวประกาศแล้วพระเหสีตั้งคัน ตอนนี้กบิลพัทจะมีรัชทายาทแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยมีอีกเรื่องหนึง่งฝ่าบาเด็กที่เกิดในกลุ่มดาวนี้จะได้เป็นยอดนักรบขอให้เป็นเช่นนั้นถ้าเป็นแค่ราชาแต่เขาจะเป็นราชาแห่งราชาเขาจะเป็นยอดนักรบ จะเป็นจกักรพรรดิผู้กล้าท่ า, า, า น, นจะทำอะไรเนี่ยท่ามถึงปล่อยนกพวกนี้นี่ไม่ใช่นกธรรมดาทนที่มังคลามันคือความสุขความรื่นรมซึ่งข้ากำลังสแสดงออกมาดูสิ มันเป็นอิสระจากการถูกกักขังแล้วและข้าก็เป็นอิสระจากความชั่วร้ายถ้ามีความสุขมากมีความสุขจริงๆเาเ็นวมมีความสุขจริงๆจะไม่รู้จะเอ่ยออกมายังไงอ่ะข้าเห็นแล้วว่าเจ้ามีความสุขมากแค่ไหนระหนึ่งว่าเจ้าท้องซะเองหาใช่มาเหสีมหามายาท่านพูดถูกแล้วเ้าเป็นคนตั้งท้องเด็กคนนี้ก็คงไม่มีความสุขเท่านี้หรอก แต่เป็นเพราะระมเหสีมายาตั้งท้องก็จะมีความสุขเป็นสองเท่าคนที่เหมาะสมก็มงจะมีลูกแล้วแต่ถึงยังไงเจ้าก็ไม่ควร อ, ออกหน้าขนาดนี้เลยนะโบราณว่าไว้ความอิดชาน่ะนะเล่าลอยอยู่ในอากาศเจ้าไม่รู้หรอกว่าอาจจะมีตัวปัญหาที่จะนำความชค่ร้ายมาให้ก็ได้ใครที่คิดอกุศลแบบนั้น ที่สุดแล้วจะต้องอับอายผมทาปลือกตาของข้าและแก้มท่านแล้วท่านพี่บังคลาแก้มข้าและแค่ผมทาปลือกตาเท่านั้นประชาบดีแต่ข้าจะทำให้รับตาของเจ้าต้องไหลเป็นสีดำพอแล้วอีกคำหนึ่ง เจ้าเป็นแม่หรือน้องสาวกันแน่เจ้าจะทำอะไรให้ข้าอีกเราเป็นพี่น้องกันข้าทำสิ่งที่ต้องทำถึงยังไงท่านเน่ก็แค่เกี่ยวดองกับเจ้าชายเพียงทางเดียวเท่านั้นแต่ข้าเกี่ยวดองถืงสองทางใช่ยวนะสองทางเหรอเกี่ยวยังไงท่านฟังนะ ข้าเองก็เป็นม่เหศสีเท่ากับว่าข้าเป็นแม่เขาด้วยและข้าเป็นน้องสาว ข, ของท่านเท่ากับว่าข้าเป็นน้าเขาด้วยแปลว่าข้าเป็นญาติเขาสองทาง <c oughs> เสีเกิอดอะไรขึ้นเทวทัตกำลังเล่น ล, ลูกหินอยู่มเมเฮสีหยียบเข้าก็เลยเสียหลับท่านเป็นอะไรหรือเปล่าขอบคุณพระเจ้าท่านล้มไปมเมเฮสีต้องแทงลูกแน่เลยขอให้มันเกิดขึ้นกับศัตรูเราเถอะนางจะได้จัดพิธีฉลองคันแก่แน่ใช่ไหมท่านพี่ <c oughs> บอกสิว่าใช่ท่านพี่มาคลาบอกสิว่าใช่ ใช่แล้วบิกะท่านเรียกหาข้านเหรอรู้มาว่าเจ้าอยากแต่งงานกับเราสิกะ ใ่ไความต้องการของข้าไม่สาคัญหรอกเพราะว่าพ่อของเราสิกาเรียกร้องเหรียญทองเป็นข่าสินสอดใช่แล้วอ๋อถ้าให้เจ้าโกปัดแต่ว่าเจ้าจะต้องช่วยงานของข้าเจ้าจะต้องไปสอหาใบไม้ที่สามารถข่าคนได้อีกนานไหมจะถึงเวลาที่เจ้าขายสมุนไพรให้หมอข้าว่ามันถึงเวลาที่เจ้า ต้องกบจัดโชคร้ายแล้วเก็บมันขึ้นมาสิเก็บมันขึ้นมาถึงตาเจ้าช่วยคขับพิธีฉลองขันแก่ของมาเหสีจะจัดขึ้นอีกไม่กี่วันและข้าเองก็ไม่อยากจะพลาดโอกาส คือสียงที่ขันต้องทําในวันพิธีฉลองขันแก่ใครให้เหรียญทองกับเจ้าอ่ะข้าบอกไม่ได้เราสิกาข้าจะฆ่าตัวตายถ้าเจ้าไม่บอกกับข้าถ้าบอกเจ้าเขาจะต้องฆ่าข้าแน่พวกเขาไม่ปล่อยข้าแน่แต่ว่าแน่แเราสิกาเจ้จะเป็นสาวใช้อีกนานแค่ไหนแล้วข้าต้องขายสมุนไพรไปอีกนานแค่ไหนแต่ถ้าฝ่าบาทรู้เรื่องล่ะมันขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วเราสิกาเจ้ารักใครมากกว่ากัน กบันคนนี้หรือว่าที่รัชทายาทแห่งกบิลพัทข้าแค่จะต้องวางยาในข้าวต้มของมเหสีกบันทำทุกอย่างเพราะอยากแต่งงานกับข้าแต่ว่าข้าจะทรยศพระมะเหสีไม่ได้ถ้าแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้หรอก พวกเขาเมตตาข้ามาโดยตอลอดโอ้โอลาวสิกาจู่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยท่านบังคลาท่านบังคลาข้ามีเรื่องสำคัญจะบอกกับท่านคือมเหสีมายาจู<อ>่จะบอกอะไร มีอะไรมเหสีข้ามีเรื่องจะพูดด้วยเราสิกะ จะเอาไว้พูดทีหลังเถอะไปเร็วสิไปเอาเครื่องกลับว่า้เทพเจ้ามาไม่รู้หรืองไงพระมเหสียังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าแล้วไปสิ สีประชา บ, บดีนี่เจ้าค่ะเทัดามาเถอะให้พระมเหสีได้สเสบยเครื่องไหว้ไม่นะมเหสีข้าจะกินข้าวต้มก่อน ก็ได้เขาจะป้อนเจ้าคำแรกเอาสิอ้าปากไม่ได้เขาต้องป้อนมาเฮสีเอกก่อนไม่เอาป้อนข้าก่อนป้อนข้าก่อนก็ได้อย่าป้อนเขาเนาะหยุดนะมาเฮสีใครออกมา แล้วสิกาจะทำอะไรของเจ้าเนี่ยไม่เห็นสเข้าต้มมียาพิษ ม, มียาพิษเหรอเป็นสิมือใครใครวางยาพิษในข้าต้มจะบอกเข้ามาสิ ย้อนตึกที่ใครสั่งให้เจ้าทำแบบนี้ตอบกระสิโกบันทำไมเจ้าทำเช่นนี้บอกแล้วสิทำไมเจ้าทำเช่นนี้นี่ เราทำอะไรลงไปเนี่ยเราต้องรักษาชีวิตของโกปันไว้เขาอาจช่วยเราจับคนวงการได้นะพภายค่ข้าด้วยความบาปแต่ว่าข้าจะไม่ยอมให้ใครมาปลอกลายราชวงของเราเด็ดขาดไม่มีวันข้าทำผิดมาหัน ตอนหน้าารบ้านโรดให้อภัยก้ด้วยให้อภัยก้ด้วยเถอะ ขออนุญาตข้าหรอกมังคลาไม่สีฝาบาทตกนี้อตรายาเจ้าเจ้าว่ายังไงนะมังคลาใช่เพคะพวกเจ้าออกไปก่อนใครกันที่คิดเจอปองร้ายฝ่าบาท มังคลามเหสีข้ารู้มาว่าเด็กที่คลอดหลังเดือนสิบเน่ะถ้าเกิดมาในบ้านของพ่อก็จะเป็นภัยต่อพ่อตัวเองนะข้าเองก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าพ่อหมอดูแสดงหลักฐานข้าก็มเหสี เป็นค่าเองที่จับมือท่านและห้ามท่านไม่ไปเมืองเทวธาหะวันนี้ก็จะขอร้องท่านว่าท่านไม่ควรจะอยู่ที่นี่เลยท่านคงไม่อยากให้ส่าบาทหรือว่าเมืองนี้ตกอยู่ในอันตรายเป็นแน่เลยใช่ไ้ยความรับผิดชอบของผู้หญิงคือปกป้องลูกและสามีของนางไมเฮสี ไม่ว่ายัางไงถ้าทต้องเรียกรฝ่าบาทและรีบไปจากที่นี่เพื่อกลับบ้านเกิดข้าจะไปเมืองเทวทหะพรุ่งนี้เชา้าท่านจะได้ไปเมืองเทวทหะ และจะไม่ได้กลับมาอีกเป็นเรื่องจริงแท้ไม่มีใครปราบความรั้นของผู้หญิงเด็กและพระราชาได้ตอนนี้ข้ามีความดื้อรั้นของทั้งสามสิ่งเพคะฟาบานข้าไม่อยากให้เจ้าไป ปล่อยให้ข้าไปข้าแข็งแรงดีและข้าก็มีความสุขด้วยอีกอย่างหนึง่งประชาบดีกับข้าจะได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ด้วยทันทีไม่ได้ข่าวว่าข้าคลอดแล้วท่านก็ตามไปเทวทาหะได้ แล้วที่แนะนำให้หยุดที่นี่ขขาไม่ได้มาเยือนลุมพินีวันนั้นนะที่นี่มันช่างงดงามงดงามเหลือเกินเหมือนกับที่นี่เหมือนกับสวรรค์บนดินเลยเละใช่ท่านพี่ท่านไปพักที่ต้นไม้ก่อนเถอะแค่จะเตรียมอาหารให้ หมอตำแยปิ่นทรีเร็วเข้ามาดูเร็วรุ่มเหสีเจ็บคันแล้ว โนรทัาตโนรทาตโนรทาตท่านมุนีเขามาแล้วบิดาแห่งจักรวาล น, นี้กำลังจะมาเกิดท่านพี่ท่านพี่จะเย็นๆนะทิศกิ่งไม้เอาไว้ก่อนเขาบอกว่าเขาจะ ตอนนี้เขามาแล้วยินดีด้วยท่านพี่ยินดีด้วยเด็กผู้ชายโอ้องพระเป็นเจาข้ายินดีด้วยพระผู้สร้างถือกำเนิดขึ้นที่นี่ท่านมองอะไรอยู่เรอท่านโมนีอินเดียกบิลลพัน ลุ่มหินีวันงดงามเป็นความบริสุทธิ์ที่ซาบสึงใจก็ไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนได้รับแบบนี้ดูสิ ดูสิเขายิ้มด้วยหากได้เจอเขาฝ่าบาทต้องดีใจมากแน่ข้าโชคดีเหลือเกินนรทศัตที่มาอยู่ในยุคนี้ในยุคที่มีผู้มีบุญมาเกิดท่านบอกข้าสิข้าต้องเรียกชื่อของท่านว่ายังไงท่านบอกข้าสิท่านพี่เราจะตั้งชื่อเจ้า ช, ชายว่าอะไรดี พุทธะ<า>และตำนานของพระพุทธเจ้า ก, ก็เปิดฉากขึ้ น, น, นข้าวังยาพิษบัญชล้องคันแก่นนางนางก็ยังรอดอีกจดไฟเผาเมืองให้โว้ยไล่เขาเไปซะล่ไปซ่อยะขล่าเขา อ, อาจจะเกิด ในวงกษัตัตย์แต่ว่าที่สุดแล้วเขาจะเป็นมุนีท่านนี้คือประสงค์ของพระเป็นเจ้างั้นใคาจะสู้กับเขาข้าจะเลี้ยงดูเขาและทำให้ความคิดอยากเป็นมุนีอยู่ห่างจากเขาให้ไกลที่สุด